นับตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนบูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมาทิงภิกขเวภาเวทาติ นั่งรับเรียบร้อยนั่งตามสบายวันนี้ครั้งที่ห้าสิบสองอะไรห้าสิบสองอนาปานสาติครั้งที่ห้าสิบสองกวนนุโมตนานี่ใกล้จะถึงวันอะไรแล้วเนี่ยฮะ ว่าอาสารหะใกล้ถึงวันสำคัญนี่ครปีปีหนึ่งเร็วเร็วนะนี่เรามาที่นี่ห้าสิบสองครั้งวันนี้ครั้งที่ห้าสิบสองชาวนี้ก็เป็นการควังธรรมปฏิบัติธรรมแต่วันนี้ให้พวกเราเข้า นั่งสมาธิกันเลยนั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมลองดูว่าเรานั่งตัวตรงนั่งตัวตรงหลับตารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าคือเอาสติไปอยู่กับตัวอยู่กับลมหายใจ มันจะได้ทั้งสองอย่างลองดูสิความรอบรู้ของจิตเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้กระจ่างแจ้งได้ในขณะที่รู้ลมหายใจลมหายใจออกก็รู้และจิตก็ฟังทำด้วยแต่ต้องปิดตานะต้องปิดตาปิดหูหยุดการเคลื่อนไหว ถ้าเราเคลื่อนไวหวไปด้วยหายใจใไปด้วยคือทำหลายๆอย่างไม่ได้แต่ว่าถ้าแค่เอาจิตมาหยุดอยู่ที่ลมหายใจตัวนิ่งๆตัวตรงๆหลับตาแล้วก็คอยฟังเสียงธรรมมันก็จะทำให้ได้รสชาติแห่งการควังธรรมไปอีกแบบหนึง่ง เสียงที่พระพูดจะออกมาเป็นประโยคหรือเป็นคำจิตที่ตั้งมั่นนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวนั้นจะรับฟังได้ง่ายได้ชัดพอจังหวะที่เป็นเสียงเงียบแล้วก็ลดลมหายใจไป เตรียมพร้อมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตมันก็ตื่นตื่นกับการที่จะฝังมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ <c oughs> <c oughs> ชานี้จะพูดถึงเรื่องธรรมะ ตั้งต้นสำหรับที่จะให้เรามีความจเจริญในประธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาหมายความว่าเราจ ะ, จะเจริญงอกงามไพบุ์ในทางพระพุทธศาสนานี้ เราจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะตั้งต้นที่สำคัญไม่ว่าเราจะไปปฏิบัติสายไหน <c oughs> แนวไหนที่มันเข้าได้กับสติปัฏฐานทั้งสี่ก็จะแตกออกไปเป็นแนวเคลื่อนไหวดูตองพองยุบ หรือที่ชื่อว่าแนวสติปัฏฐานสี่โดยตรงหรือแนวไหนก็ตามการปฏิบัติเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะตั้งต้นที่ว่านี้ธรรมะตั้งต้นประการที่หนึ่ง คือกัลยาณมิตรสัมปทาเรียกว่าธรรมะตั้งต้นที่ทุกคนต้องมีกัลยาณมิตรสัมปทากัลยาณ น, นั่นดีมิตรนั่นก็คือความมีมิตรสัมปทาได้ว่าถึงพร้อมความเป็นผู้มีมิตรดี มีกัลยาณมิตรสำคัญมากพระพุทธเจ้าว่าจะให้ถึงซึ่งพระนิพพานต้องเริ่มต้นที่กัลยาณมิตรเพราะกัลยาณมิตรนี่มีความสำคัญมากเฉพาะว่ามิตรเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในกิเลสของเราเนี่ยที่มีอยู่ในใจ มันจะหาแต่คนที่เราชอบคนที่เราชอบไม่ใช่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรกับเราได้ทุกคนกัลยาณมิตรในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีความเมตตาต่อเรามีใจต่อเราในการที่จะให้เราพ้นทุกข์ซึ่งบุคคลอันดับที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้า ตอนนั้นต่อจากนั้นมาก็คือผู้ที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวต่อเราด้วยจิตเบตานี่คือการยานมิตรหรือเพื่อนเพื่อนผู้ปฏิบัติญาติธรรมทั้งหลายที่คอยแนะนำตักเตือนเราด้วย ความรักความเมตตาถือเป็นกัลยาณมิตรเพราะจะนำพาชีวิตของเราเข้าไปอยู่ในเส้นทางของความรู้จริงรู้แจ้งรู้ตามพระพุทธเจ้านี้ถ้าเราขาดกัลยาณมิตรเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะเดินไปตรงทางถูกทางได้ง่ายเพราะส่วนมาก คนที่แนะนำเรานั้นมีเยอะรักเราสงสารเราก็มีเยอะคนที่อยากจะช่วยเราก็มีเยอะแต่คนที่รู้จริงน่ะน้อยคนที่เบืตาต่อเราจริงจริงน้อยคนที่ปฏิบัติตามได้รับผลถึงนั้นแล้ว มีเมตตาต่อเรามาบอกเราชักชวนเรานั่นน้อยแต่ไอคนที่ชวนเรานั้นมันเยอะแต่คนผู้ที่มีคุณสมบัติว่าเป็นกรารยานามิตร น, น้อยเพราะฉะนั้นการมีกาลยานามิตรจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นนลับดับที่หนึ่ง ก็การที่พวกเราได้มานั่งรวมกันที่นี่อันดับแรกก็คือกัลยาณมิตรแหละได้รับจากข่าวสารจากการบอกกล่าวจากการชักชวนนี่คือกัลยานามิตรแล้วมานั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกันโดยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัตินี่เป็นกัญยะนานมิตรทั้งสิ้นนี่คือพวกเรานี่ถือว่ามีคุณสมบัติข้อนี้ <c oughs> ประการที่สองในธรรมะตั้งต้นที่สำคัญเรียกว่าสีละสำปทาต้องมีสีเป็นสมบัติประจำใจ ถ้ามีเพื่อนแล้วมีมิตรดีแล้วแต่ว่าไม่มีศีลเป็นสมบัติยากที่จะเดินในเส้นทางนี้ให้มันรุกหน้าจะเริญนงอกงามไยบู์ได้เพราะอะไรเพราะศีลมันแปลว่าปกติ อะไรใจปกติคือสภาพใจที่มันสหบปกติใจที่สหบปกตินั้นเป็นใจที่สะอาดพร้อมพร้อมสาหรับการเจริญรุ่งเรืองพร้อมสาหรับการพัฒนาให้มันสูงยิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> ถ้าเราเปรียบศีลเหมือนเรามีภาชนะ เป็นหม้อใบหนึ่งแต่หม้อที่มันสกรปรกเราใช้การอะไรไม่ได้มันจำเป็นที่จะต้องทาความสะอาดการทำความสะอาดหม้อให้สะอาดทั้งนอกทั้งในโดยเฉพาะภายในเมื่อสะอาดแล้วเนี่ยมันพร้อมสาหรับการที่จะใส่อะไรดีๆลงไปในนั้นได้ ความสะอาดของหม้อ น, นั่นแหละเรียกว่าเปรียบได้กับศีลในตัวของเราเราประสงค์อยากจะนั่งกรรมาฐานอยากจะไปกราบหลวงปู่หลวงพ่อแดนไกลอยากจะไปกราบพระอริยเจ้าที่ไหนที่ไหนอยากจะไปเกิดใหม่อยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่พระนามว่าพระศีริยรยิยาเบ็ไตร หรืออยากจะเจริญจิตภาวนาให้มีมีความเก้าหน้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะตั้งต้นคือศีลนีไว้ถ้าไม่มีศีลสิ่งที่กล่าวมาเมื่อตอกี้หรือความปรารถนาของเราไม่สามารถที่จะไปได้ แม้แต่ความเจริญงอกงามไพ่บุญในพระศาสนานี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นธรรมะพื้นสำคัญที่เราจะต้องมีเรียกว่าศีลสัมปทาธรรมะต่อไปที่เรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะต้องมี ไม่ยัางงานการภาวนาของเรามันจะลุกหน้ายากธรรมะโคติวานี้ก็คือฉันทะสัมปทาคือต้องมีฉันทะฉันทะนี้เป็น เป็นปัจจัยภายในที่สำคัญคำว่าฉันทะคืออาการที่ใจมันชอบใจพอใจมันน้อมเข้าไปจะสวดมนต์ที่บ้านมันก็จะมีความชอบใจพอใจมันก็จะน้อมใจเข้าไปเพื่อการสวดมนต์นั้นการสวดมนต์นั้นก็จะได้ประโยชน์ การควางธรรมก็ต้องมีฉันทะใจก็จะน้อมก็ไปสู่การควางธรรมการควางธรรมนั้นก็จะได้ประโยชน์การถวายทานการไปวัดไปว่าการทำบุญเข้าพรรษาหรือการใดๆก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลจะต้องมีฉันทะคือมีใจที่พอใจน้อมก็ไปสู่การนั้นๆก็จะได้ประโยชน์ ทานก็เป็นทานศีลก็เป็นศีลบุญก็เป็นบุญธรรมก็เป็นธรรมต้องมีฉันชะฉันทะใจก็ต้องน้อมก็ไปแม้กระทั่งทำบุญถ้าเราสังเกตเราคนหนึ่งหนึ่งนั้นทำบุญเยอะโดยเฉพาะบุญที่ชื่อว่าทาน <c oughs> ที่เป็นสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์สร้างวัดสร้างศาลาหอรักครังสร้างถนนหนทางเข้าวัดสร้างโรงเรียนที่สรารณะสร้างโรงพยาบาลเราให้ทานเยอะทำเยอะแต่เราต้องมีฉันทะในทานของเรา ใจเราต้องน้อมกับไปในในฐานนั้นถ้าใจเราไม่น้อมกับไปมันไม่ตรงกันระหว่างเจตนากับการกระทาการเคลื่อนไหวที่ไม่ตรงกันระหว่างเจตนากับการกระทาการเคลื่อนไหวนั้น <c oughs> เรียกว่ากรรมไม่สมบูรณ์เป็นกรรมดีที่ไม่สมบูรณ์เป็นกรรมที่มีมนทินซึ่งในปัจจุบันนี่เยอะมาก ที่เจตนาไม่ตรงกับการกระทำถ้าเราตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งดีๆแล้วมีใจน้อมไปในการกระทำอันนั้นเรียกว่ามีฉันทะพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัมหิฉันทังกยิราตถะต้องมีฉันทะในความดีที่ตนทำ คือต้องมีใจน้อมไปในความดีที่ตนทำอะไรทุกเรื่องทั้งหมดที่ดีๆต้องมีฉันทะน้อมกันไปเมื่อมีฉันทะน้อมกันไปอย่างนี้มันดีจริงดีเต็มกำลังดีพร้อมในคำสอนในโอวาทสามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลสูปะสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมคือพร้อมอย่างนี้แหละ คือเมื่อทำแล้วดูข้างนอกดีให้ข้างในดีด้วยจึงเรียกว่าดีพร้อมถ้าดีแต่ข้างนอกดีแต่สร้างภาพแต่ข้างในไม่ได้ดีด้วยไม่มีฉันทะน้อมก็ไปในดีนั้นเรียกว่าดีไม่พร้อมพวกที่ดีไม่พร้อมส่วนมากจะให้ผลดีน้อยหรือจะให้ผลตรงกันข้าม คนที่ทำความรู้สึกว่าตัวเองทำความดีเยอะๆแล้วมาเรียกร้องทำไมเราทำดีตั้งเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ได้ดีเราทำดีมาตลอดทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้เราเข้าวัดให้ทานรักษาศีลกวางเทศมาตลอดร่วมเวลาเป็นสิบสิบปีแต่ทำไมสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรืออาจจะรำพึงรำพันต่อไปว่า บุญนี่ไม่เห็นมันจะมีจริงเทวดาไม่เห็นจะมีจริงถ้ามีจริงก็คงข้างเข้าข้างเราบ้างแล้วล่ะแต่หารู้ไหมว่าของตนเองนั้นขาดฉันทสัมปทาดีแต่ข้างนอกไม่มีใจน้อมเข้าไปในดีที่ตนทำจึงขาดฉันทะเรียกว่าฉันทสัมปทามันธรรมะ ข้อที่สที่เป็นธรรมะตั้งต้นที่ว่านี่จะต้องมีเป็นพื้นฐานในการกระทาดีทุกๆด้านก็คือฉันทะเรียกว่าฉันทะสัมปทาตัวต่อไปที่จะต้องมีต่อจากฉันทะก็คืออัตตสัมปทาคำว่าอัตตาสัมปทาคือมีตนเป็นสมบัติ มีตนเป็นสมบัติหมายความว่ามีสาระในตนเห็นคุณค่าของตนเห็นความสำคัญของตนและวางตนไว้อย่างถูกต้องไม่ใช่เอาตนไปผูกไว้กับสิ่งอื่น ไม่เอาตนไปผูกไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่เอาตนไปผูกไว้กับความเชื่อที่ขาดเหตุขาดผล hmm. พวกอัตตะสัมปทาจะต้องมีการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสําคัญจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องสี่ประการ คือการเชื่อในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนแล้วเห็นคุณค่าของประสงค์แล้วก็เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมมีสี่ประการนี้เรียกว่าตนเป็นสาระเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมีสี่ประการนี้เราก็จะมีความมั่นใจ ในตนเองจะทำอะไรจะขับเคลื่อนชีวิตยังไงจะไปทำอะไรที่ไหนมันก็จะมีความมั่นใจในการที่จะบอกตัวเองได้และก็จะทำในสิ่งที่สมเหตุสมผลกับความที่เป็นตนเองถ้าไม่มีอย่างนี้ มันก็จะตกอยู่ใต้อำนาจอิทธิพลสิ่งอื่นเช่นคำพูดของคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขาดเหตุขาดผลหเป็นนับถือจอมปลวกกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวอย่างโน้นมากมายจนกระทั่งตนต้องเสียโอกาสไปหลายหลายอย่าง ว่าเห็นคุณค่าของตนด้อยลงไปไม่มีความมั่นใจในตนเองประจัญการที่จะทำความดีในเส้นทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้จเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนานี้จะต้องมีธรรมะที่เป็นพื้นฐานข้อนี้เรียกว่าอัตตะสัมปทาคือมีตนเป็นสมบัติ ประการต่อมาก็เป็นธรรมะตั้งต้นเป็นธรรมะที่เป็นพื้นฐานเป็นธรรมะที่เป็นสมบัติสำหรับที่จะให้เราจะเริญน ง, งอกงามไปบูณ์ในพระศาสนานี้ได้อีกเหมือนกันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องความดับทุกข์คือทิฏฐิสัมปทาถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คือมีความเห็นตรงเช่นในเบื้องต่ำเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นอย่างนั้นในเบื้องกลางเห็นว่าพ่อแม่มีคุณผู้มีอุปการะต่อเรามีคุณเห็นคุณที่ทาให้คนเป็นเทวดา ความเห็นตรงเห็นถูกในเบื้องสูงเห็นถึงเรื่องของมรรคผลนิพพานโดยการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอนิจจังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นทุกขังคือเสื่อมสิ้นพิบัติแปรปรวนไปเป็นอนัตตา ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดความเห็นทั้งสามระดับนี่แหละเรียกว่าทิฏฐิสัมปทาเราจึงจะต้องเปิดจิตของเราให้มีความเห็นคล้อยด้วยเข้าได้กับการกระทาความเห็นที่ไม่คล้อยด้วยความเห็นที่มันเข้าไม่ได้กับการกระทาที่ชื่อว่าความดีนั้น ไม่สามารถที่จะทำให้ความดีของเราจเจริญรุ่งเรืองได้มันจึงจําเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติที่ชื่อว่าความเห็นทิฏฐิสัมปทาแต่เราทำอย่างหนึ่งแต่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งเราพิ จ, จนารณาดูมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ได้รับผลออกมาแล้วดี นั้นความเห็นต้องข้าวด้วยข้าวได้คล้อยด้วยกับการกระทําประการต่อมาอัปมัตตสัมปทามีความไม่ประมาทเป็นสมบัติคำว่าความไม่ประมาทเป็นสมบัติในทีน่นี้หมายความว่าไม่ปล่อยให้ชีวิตนี่ กระโดดโลดผลดิ้นรนจนขาดการยับยัง้งต้องมีความระมัดระวังในการพูดมีความระมัดระวังในการกระทมามีการระมัดระวังในการคิดแล้วก็เลือกเฟ้นพิจาจรณาคาว่ามีความไม่ประมาทเป็นสมบัติ ถ้ากล่าวโดยย่อๆให้เหลือสีก็คือว่าระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดได้ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจไม่ให้มัวเมาเพลิดเพลิน ในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเพลิดเพลินนี่อย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ประมาทหรือมีความระมัดระวังในพฤติกรรมเช่นมีความมุ่งมั่นในการที่จะละกายทุจริตแต่ปรับพฤติกายสุจริตมีการ ม, มุ่งมั่นในการที่จะละวจีทุจริต และประพฤกวจีสุจริตมีการมุ่งมั่นในการที่จะละมนโนทุจริตประพฤกษมนโนสุจริตมีความมุ่งมั่นในการที่จะละความเห็นผิดจะปรับปรุงความเห็นของตนให้ถูกอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีความไม่ประมาทเป็นสมบัติหรือโดยสรุปข้อความไม่ประมาทเป็นสมบัตินี้ก็คือการพิจารณาความใคร่ครวน กายวาจาใจของตนนั่นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมะอันเป็นพื้นที่เข้าด้วยกันทั้งหมดหกประการที่กล่าวมาประการสุดท้ายข้อนี้จะเป็นเป็นข้อธรรมสาหรับที่จะต่อยอดขึ้นไปสาหรับที่จะให้ความดีของเรานั้น จะรอนงองามเข้าหน้าที่เรียกว่าโยนิโสมนาตริการสมบัติมีโยนิโสมนสตริการคือการกระทำไว้ในใจอย่างแยบคายในทุกๆเรื่องถ้าเราจะให้ทานเราก็ต้องกระทำไว้ในใจให้ดีต่อทานที่เราทำ เรารักษาศีลเราต้องกระทําไว้ในใจของเราให้ดีต่อศีลที่เรารักษาเราจเจริญภาวนาเราก็ต้องกระทําไว้ในใจของเราให้ดีต่อต่อการภาวนาที่เรากําลังบําเพ็ญอยู่การจเจริญโยนิโสมนาสิการหรือการพิจารณาโดยแยบคายในเรื่องนั่นๆ มันเป็นทางสำหรับที่จะต่อยอดให้กับเราถ้าเปรียบเหมือนกับการขึ้นบันไดโยนิโฉมนธิการหมายความว่าเรายืนอยู่บนบันไดขั้นที่หนึ่งแล้วการพิจารณาเคร่ครวนบันไดขั้นที่สองว่ามันถูกต้องไหมมันสะอาดไหมมันแข็งแรงไหม มันดีไหมเราขึ้นไปยืนได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าโดยแยบคายโดยละเอียดการใช้การพิจารณาการไตรตรองอย่างแยบคายอย่างนี้แหละมันเป็นคุณสมบัติอีกอันหนึ่งรวมเป็นสมบัติเจตประการของธรรมะประจําใจของเราที่เราจะต้องมีซึ่งท่านสังเกตได้ว่าทั้งเจตประการตั้งแต่กัลยาณมิตร เรียกว่าต้องมีเพื่อนแต่ไม่มีเพื่อนนั้นยากแม้แต่ว่าใครก็ตามที่บอกว่าไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เจริญรุ่งเรืองในเส้นทางนี้หรือประการที่สองมีศีลเป็นสมบัติถ้าไม่เอาศีลเอาแต่ทานเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียว ศีลก็ไม่สามารถแล้วก็จิตก็ไม่สามารถเจริญ ร, ร, รุ่งเรืองได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นพื้นเจ็ดประการเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจฟังเล่นน้อมไปให้ประดับไว้ในใจของเราก็จะได้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการกระทําทุกๆ ก, การกระทําของเราที่เรานอนตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดถ้าเราสังเกตที่เราเคลื่อนไหวอยู่นั้นดีทั้งนั้นก็ตื่นนอนขึ้นมาจะนับให้มันละเอียดตั้งต้นตั้งแต่การจัดเก็บพับผ้าหม่มเนี่ยดีทั้งนั้นพับเก็บจัดที่หลับที่นอนปูที่นอน เก็บข้าวที่แปลงฟันล้างหน้าข้าวห้องน้ำอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวทานอาหารเช้ากวาดบ้านทุกๆ ก, การกระทำพิจารณาดูเถอดดีทั้งนั้นมีอันไหนไม่ดีเพียงแต่ว่าเวลาเราทาสิ่งนั้นๆน่ะ มันไม่มีฉันทะลงไปไม่มีฉันทะน้อมลงไปไม่มีใจน้อมลงไปมันเลยทําให้การทําต่างๆของเรามันเข้าไปไม่ถึงดีเวลาเราทําอย่างหนึง่งใจเราก็ไปคิดอีกอย่างหนึง่งมันขาดพื้นพื้นที่กล่าวมาทั้งเจ็ดข้อนี่แหละเพียงแค่เรามีฉันทะตัวเดียว ทุกๆ ก, การเคลื่อนไหวที่เราเคลื่อนไหวอยู่ในระหว่างวันนั้นเราจะถึงดีของมันหมดทุกๆตัวนี่ก็ททำอย่างนี้ให้มีทำมันเป็นพื้นอย่างนี้ข้อไม่ดีทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นได้ยากเพราะพื้นมันดีไปแล้วถ้าพื้นดีแล้วเนี่ยมันหาข้อไม่ดีเนี่ยมันหายาก พรทุกๆการกระทําอย่างเรานั่งอยู่นี่นั่งฟังหลวงพ่อพูดหูเราก็ฟังใจเราก็รู้นิ่งอยู่กับลมแล้วก็พร้อมตื่นพร้อมรู้รับฟังแล้วก็ใกลรครวญพิจารณาเกาะอยู่อย่างนี้อกุศลที่ไหนมันจะเกิดได้เราเพราะใจมันมีฉันทะน้อมกับไปอย่างนั้นน้อมกับไปอย่างนั้นน้อมกับไปอย่างนั้นใส่ใจลงไปที่ลมหายใจตื่นรู้ขึ้นมาฟัง เสียงทรรมใคร่ครวนพิจารณาทำความเข้าใจแล้วก็หันไปรู้ลมหายใจเกาะอยู่เรื่อยๆเกาะกับลมหายใจอยู่เรื่อยๆเนืองๆเนืองๆอย่างนี้แล้วยอกุศลตรงไหนมันจะเกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าพื้นมันดีไอ้ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นมานี่ยากเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบที่ตั้งระงานอยู่นั้น ไม่วันไหวด้วยแรงของลมฉันใดใจที่มีพื้นอันดีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่วันไหวด้วยอกุศลฉันนั้นเพราะฉะนั้นในภาคเช้าจึงฝากพวกเราไวา้เจ็ดประการที่เป็นธรรมะสำหรับที่จะตั้งต้น ให้เรามีความเจริญงอกงามไพยบุ์ในศาสนาคำว่างอกงามไพ่บุ์นี่หมายความว่ามันมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจนถึงพระนิพพานนะในเส้นทางนี้เราก็เรียกกันท่านๆว่าสวรรค์พระนิพพานคำว่าสวรรค์พระนิพพานหมายความว่ามันไม่ไปอบายนะไปอบายแล้วเสียเวลานะ อาบายทุกติวินิบากไม่ไปถ้ายังปฏิบัติกันอย่างนี้มาควังทำกันแบบนี้ใช้เวลาใช้เวล า, ใ ช, วลาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ยังปล่อยให้ชีวิตจิตใจของตัวเองไหลก็ไปอาบายอีกนี่มันจะเสียเวลากันไปใหญ่เสียโอกาสกันไปมากความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในาศาสนาหมายถึงว่าสวรรค์และพระนิพพาน ถ้าหากว่าไม่ถึงมักถึงผลในปัจจุบันนี้ก็ไปสุขติแล้วค่อยมาต่อยอดเอาแต่ถ้าลงไปอาบายอีกมันจะเสียเวลาถึงกล่าวว่าถึงความหอกงามความเจริญงอกงามไพรู์นี่คือสวรรค์พระนิพพา น, านซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีธรรมะอันเป็นพื้นอยู่ทั้งเจ็ดประการที่กล่าวมา แต่ความเป็นจริงเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีเพื่อนจําเป็นที่จะต้องมีศีลเราก็จะต้องมีความตั้งใจที่มีการน้อมเข้าไปที่ชื่อว่าฉันทะแต่เวลาในการกระทําในขณะในขณะที่มันเกิดกรรมขึ้นมาเกิดการกระทําขึ้นมาไอ้ธรรมเหล่านี้มันไม่ได้มาเช่นฉันทะมันไม่ได้มา เวลอาอกุศลมันเกิดขึ้นที่ใจของเราปรเกิดปั๊บมันครอบงําจิตของเราแล้วเรียกว่าสังกัดปานังวสานุโคจิตเป็นไปในอํานาจของความคิดที่ไม่ดีเป็นอกุศุลครอบงันผูกรุดรดรัดรึงจิตอยู่ใต้อํานาจของอกุศล น, นั้นๆแต่ละครั้งกรรมที่เกิดมันก็เป็นอกุศุลกรรมไปทันทีฉันทะที่เรารู้ ศีลที่เรารู้ความไม่ประมาทที่เรารู้อิริโอตาปะที่เรารู้เรารู้หมดนะแต่ในยามนั้นมันทำอะไรไม่ได้เพราะจิตตกอยู่ใต้อำนาจของอกุศลงนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ใช้ข้อที่เจ็ดเป็นพื้นไปด้วยเรียกว่าโยนิโสมนตริการต้องมันตริตรองโดยเย็บคายอยู่เสมอเสมอ การพิจารณาตรีตรองอย่างแยบคายอย่างสม่ำสเสมอนั้นมันจะเป็นข้อสำหรับที่จะเตือนสติของเราเองเช่นเราพิจารณาไปอยู่หยกๆยกว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีแล้วเกิดเหตุปัจัยที่เข้ามากระทบอันให้เกิดความไม่ดีอ น, นันขึ้นที่ใจของเรา ไอ้ตัวยีโรนิโสมนัสทิการที่เราพิจารณานั้นแหะมันจะมาเตือนสติเราให้เราตามเห็นทันว่าไอ้ข้อ น, นั้นมันไม่ดีก็จะไม่เปิดโอกาสให้ความไม่ดีนั้นมีอํานาจครอบงําจิตของเราจนกระทั่งตกไปเป็นอกุศลกรรมได้ท่นพระพุทธเจ้าจึงให้ธรรมะข้อที่เจ็ดว้ว่าให้เราพิจนารณาเพื่อให้เป็นพื้นเป็นต้นทุนของจิตเป็นตั้งต้นของจิต สำหรับที่จะเกิดความเจริญนอกงามเผยบุญในระศาสนาธรรมะทั้งเจ็ดที่กล่าวมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสังเกตได้เลยว่าไม่มีใครสามารถทำให้เราได้ไม่มีใครไปคบเพื่อนดีแทนเราได้ไม่มีใครไปรักษาศีล ให้เราได้ไม่มีใครไปบำเพ็ญฉันทธรรมแทนเราได้ไม่มีใครไปดํารงความไม่ประมาทแทนเราได้ไม่มีใครไปปรับปรุงทิฏฐิความเห็นในใจของเราแทนเราได้ไม่มีใคร ไปตามไปตามพินิตฐ์พิจารณาอย่างแยบใครในสิ่งทั้งหลายให้มันเกิดความถูกต้องแทนเราได้เราจะต้องทำของเราเองเราจะต้องเลือกดูมิตรที่เป็นกัลยาณมิตรด้วยตัวของเราเองเราจะต้องรักษาศีล ให้เป็นสมบัติตัวใจของเราเองเราจะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นที่พึ่งเห็นสาระในตนด้วยตนของตนเองเราจะต้องปรับปรุงทิฏฐิความเห็นของเราให้มันเห็นได้เข้าด้วย กับความดีความงามอันถูกต้องด้วยตัวของเราเองเราจะต้องทําการพินิษพิจารณาอย่างแยบคายในสิ่งทั้งหลายในเรื่องของการกระทําทั้งปวงอะไรดีหรืออะไรไม่ดีด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นมันจึงจําเป็นที่เราจะต้องให้ความสําคัญในธรรมะทั้งเจ็ดนี้เมื่อมีแล้ว ความเจริญงอกงามไพยบณ์ในพระศาสนาก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนนันตอนเช้าเรียกว่าธรรมะยามเช้าเป็นธรรมะตั้งต้นเจ็ดประการก็ได้กล่าวมากับท่านทั้งหลายที่นี้เส้ทนทางชีวิตของเราทำไมจะต้องมีธรรมะเจ็ดประการนี้เล่า ก็เพราะว่าเราเดินทางในสังสารวัตรที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มีตัญหาเป็นมิตรอยู่ตลอดพบตลอดชาติของเราตันหาที่เข้ามาเป็นเพื่อนคู่ใจกระชากลากเราไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยใหญ่ ยิ่งกระชากลากเราออกไปเราก็จะยิ่งห่างไกลออกไปจากฝั่งเข้ามากขึ้นมากขึ้นทุกทีเราไม่สามารถยอมตามอํานาจของเพื่อนที่ชื่อว่าตันหานี้พาไปได้อีกแล้วเพราะรู้แล้วว่าแต่ละพบแต่ละชาติที่มันกระชากลากเราไปนั้นเป็นอย่างไรชาตินี้เป็นอย่างไร ชาติเก่าชาติเก่าทั้งหลายแหละที่เคยผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นอย่างไรวันเมื่อวานวันเมื่อวันก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าปล่อยให้ตันหามันกระชากลากไปมันเป็นอย่างไรปันตันห้าตุติโยปุริโซทีฆมัตทานะสังสารังว่าบุคคลผู้มีตันหาเป็นเพื่อนสอง ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี้ตลอดการยืดยาวอิตตภาวันยะธาพาวังสร้างสรังนาติวัตติถึงความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างนั้นไม่พ้นจากสังสารวัฏ เราพิจารณาดูปรกใช้คาว่าโยนิโสมนัสติการพิจารณาดูเราเข้าใจว่าเราดีกว่าคนนั้นเพราะเรามีงานที่ดีกว่าเราเข้าใจว่าเราเก่งกว่าคนโน้นเพราะเรามีเงินมากกว่าเราเข้าใจว่าเราด้อยกว่าคนโน้นเพราะเราอยู่ที่เรกว่า เราเข้าใจไปเถอะความเข้าใจเหล่านี้มาเป็นความเข้าใจไปตามอำนาจของตัณหาทั้งนั้นแต่สุดท้ายที่ว่าอิทภาพาวันยะถาภาวะคือถึงความเป็นอย่างนั้นและความเป็นอย่างนี้คือเราว่าเราเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้าง เอาชาติที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นบางเป็นอย่างนี้บ้างมาชาตินี้ไอตอนเด็กๆก็เป็นอย่างนั้นโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นอย่างนี้พอเป็นรุ่นรุ่นหน่อยก็เป็นอย่างนั้นโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นอย่างนี้พอตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นและเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็เป็นอย่างนั้นและเป็นอย่างนี้ไอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่ว่าเนี่ย มันด้วยอํานาจของตันหาทั้งนั้นคือมันเท่ากันมันเท่ากันเท่ากันตรงไหนก็เท่ากันตรงที่ตันหาทุติโยปุริโสคือมีตันหาเป็นเพื่อนเหมือนกันแล้วรอตอนไหนล่ะเอตั เอตามดาหังยัตตาวาบุคคลเมื่อรู้ซึ่งโทษนั้นเอตามดีนวังเอตามดีนวังยัตตาวาบุคคลเมื่อรู้โทษนั้นดุขตันหังดุกขัดสะซ้ำปะวังและก็เห็นตันหาอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ วิตนโนมหะก็ทิ้งตัณหาเสียเวลามันรู้มันเห็นแล้วเนี่ยมันก็ทิ้งตัณหาเสียอนนาดานังแล้วไม่เชื่อดไม่ยึดถือทิ้งตัณหาเสร็จแล้วก็ไม่ยึดถือแล้วก็สตปริปาเจ มีสติและก็เว้นรอบทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เราจึงต้องมีพื้นของใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะตั้งต้นทั้งเจ็ดประการถ้าเราไม่มีมันยาก แต่ธรรมะทั้งเจ็ดประการนี้เมื่อแยกออกเป็นข้อข้อข้อข้อข้อข้อแล้วรู้สึกว่าไอเรารู้สึกกันเองนะเรารู้สึกว่าโอ๊ยเราจะปฏิบัติได้เองนั้นดูถ้าทางก็คงรักษาศีลแค่รักษาศีลก็ยากพอแล้วกว่าจะรักษาได้แต่ละข้อแต่ละข้อพระพุทธเจ้าก็เลยให้โอกาส ผู้ที่มีพื้นใจไม่ค่อยครบบริบูรณ์อย่างนี้ด้วยอะไรด้วยการจะเริญนสติเพราะอะไรเพราะเมื่อเขาจะเริญนสติอย่างถูกวิธีสติที่จะเริญนเติบโตขึ้นที่จิตในเบื้องต้นนั้นมันจะมันจะเป็นศีล สติที่จะเริญนเติบโตขึ้นในจิตอย่างถูกวิธีในเบื้องต้นมันจะเป็นศีลหลังจากนั้นมันจะเป็นฉันทะหลังจากนั้นมันจะเกิดความไม่ประมาทหลังจากนั้นมันจะใคร่ครวนพิ จ, จนารณาโดยแยบคายถ้าจเจริญสติอย่างถูกวิธีพื้นของจิตของผู้นั้นก็จะปรากฏธรรมะจิตประการ ขึ้นมาให้พื้นของจิตปรับเปลี่ยนไปกลับมาเป็นภูมิจิตใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งซึ่งณนะตอนนั้นมันเป็นภูมิจิตที่เรียกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาแล้วภูมิจิตที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ง่าย ยิ่งโลกมันกำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากเดี๋ยวนี้เราบอกไม่ได้เลยว่าอันนั้นอันไหนเป็นอย่างไรเพราะทุกด้า น, ขนแขนงศาสตร์ของโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลาแต่ตัวสติที่จะเริญนอย่างถูกวิธีนำพาจิต ไอ้พัฒนาขึ้นมาในเบื้องต้นให้มีศีลเป็นสมบัติถ้าจเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นมาอีกหลังจากมีศีลเป็นสมบัติแล้วเนี่ยมันก็มีฉันทะมีปัญญาที่ชื่อโยนิโสมนาธิการจิตจะทำงานโดยละเอียดแยบคายในการที่จะพิจารณาเรื่องใดๆก็ตาม ตามกำลังของสติมัาเป็นอย่างนี้ปับภูมิจิตมันก็จะเปลี่ยนเวลาภูมิจิตมันเปลี่ยนสภาพของจิตที่มีสติเป็นตัวพัฒนาขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้อย่างที่เคยบอกให้ฟังอนัปปิชาลุวิหรอ ย, ยะมันจะไม่ค่อยทุกข์ยากไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยลาบากด้วยอำนาจของความอยากเรียกว่าอยู่ด้วยความไม่เพ่งเลง็ง อภยาปาเดนะเจตโสสามารถที่จะควบคุมโทสะคือจะเป็นผู้ที่มีความหุดหิดน้อยอะไรที่มันเป็นปัจจัยเข้ามากระทบและทําให้เราเกิดโทสะมันก็จะค่อยหายไปจิตของเราพร้อมที่จะอภัยออกมาเนี่ยอภยปาเดนะเจตโสสตุเอกาจิตะสะอาชาตังสุสมะฮิโต ผู้ที่จะเริญนสติพัฒนาสติจะได้อีกข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมากนอกจากความมีสติแล้วเนี่ยก็คือมีการนาจิตเข้าไปสู่อารมณ์อันภายอารมณ์อันเดียวในภายในยการนาจิตเข้าไปสู่อารมณ์อันเดียวในภายในนี่สาคัญมากแต่ทั้งหมดนี้เกิดมาได้จากการจะเริญสติ ที่มันพัฒนาขึ้นมาจนปรับเปลี่ยนเป็นภูมิจิตคําว่าภูมิจิตคือพื้นใหม่ของจิตที่พัฒนาขึ้นมาจากตัวเดิมแต่ก็มีสมบัติมีศีลเป็นสมบัติมีความไม่ประมาทเป็นสมบัติมีโยนิโสมนสติการเป็นสมบัติมีกัลยาณามิตรเป็นสมบัติมีทิฏฐิเป็นสมบัติมีอัตตะเป็นสมบัติอย่างนี้มันเข้ากันได้ไม่หมดให้เริ่มต้นที่สติอา้าวลืมตา ภาจ้าวกปทุ่มขวรเก็บเวลานะในการฟังธรรมแต่วันนี้ให้เรานั่งสมาธิใช้จิตฟังธรรมะมันจะทําให้ได้การฟังเป็นแบบหนึ่งสําหรับผู้ที่ไม่หลับไใครที่ไม่หลับเมื่อกี้มีไม่ไม่ไม่หลับใี่ไหมฮะเป็นการฟังที่เออมันจะทัน เดี๋ยวเราก็จะเมื่อกี้เราฟังทำปฏิบัติทำกันต่อไปเราจะปฏิบัติทำล้วนๆจะริญนสติด้วยอาณาปานาสติ